มาดูข้อความในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปันนาฏเนี่ยนะชีวกะสูตรในหน้า99เนี่ยนะข้อ56าสิบหกข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะอัมพวันของหมอชีวโกโกมารพัชเขตพระนครราชครึก น, นะก็เรียกว่าสวนชีวกัมพวันสวนชีวกัมพวันนี้ก็อยู่แทบจะอยู่ใจกลางเมืองราชครึ ก, กอ่ใจกลางหุบเขาเนี่ยนะ เมืองราชครึกเนี่ยเป็นเมืองที่มีภูเขาโอบล้อมอยู่5ลูกระวังกันภูเขาโอบล้อมหลูกใครเรียกว่ามีภูเป็นเมืองคอกคอกคําว่าโคกก็แปลว่ามีภูเขาห้าลูกกั้นอยู่ชีวกรรมพวันก็อยู่ในบริเวณใจกลางเมืองเนี่ยนะคือส่วนเวลุวันนี่อยู่นอกเมืองเพราะฉะนั้นหมอชีวกเนี่ยเขาคิดว่าเวลาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนอกเมืองเนี่ยไปยากก็เลยสร้างถวาย ถวายสวนมะม่วงเนี่ยเป็นพุทธบูชาเรียบูชาพระรัตนตรยัยตอนนั้นพระองค์ก็ประทับอยู่ที่วัดเนี่ยนะก็คือสวนมะม่วงของหมอชีวกที่สร้างเป็นวัดครั้งนั้นแลหมอชีวกโกมารพัชเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งหนะ้ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคกจ้า ว, ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังคํานี้มาว่าชนทั้งหลายย่อมฆ่าสัตว์เจาะจงพระสมณโคดมพระสมณโคดมทรงทราบข้อนั้นอยู่ยังเสวยเนื้อที่เขาทําเฉพาะตนอาศัยตนทาดังนี้ก็เรียกว่าอะไรนะรสมมุติว่าแบบสมัยก่อนเนี่ยจะได้ยินบ่อยอย่างเช่นชาวเมืองเนี่ยนะเขาไปทอดพระป่าตามมันนอกเขาจะข้าหมูต้อนรับเลยไงนะ เรียว่าจะฆ่าช้างไม่ถึงขนาดนั้นนะนะฆ่าโ ค, นะาโคานเนี่ยนะฆ่าโคฆ่ากระเบือเนี่ยต้อนรับเลยนะรอรับกรถินผ้าปา ก, ก็ต้องมูกี่ตัวควายกี่ตัวก็ว่ากันไปเนี่ยนะก็ลักษณะนี้เนี่ยนะบอกว่ารู้อยู่ว่าเขาฆ่าเจาะจองตัวเองอะ่ะพระองค์ก็ยังฉันะนะก็พระพุทธเจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเนี่ยสวันพรุ่งนี้นะพระพุทธเจ้าจะมาบริเวณนี้วันนี้เราต้องฆ่าเนื้อก่อนฆ่าสัตว์เอาไว้รอรับสเสด็จวางกันแต่เตรียมสเสบียงวางกัน ทีนี้พระผู้เจ้า ก, ก็รู้ด้วยว่าเขาเนี่ยฆ่าสัตว์เหล่านั้นเพื่อเราเสร็จแล้วพระองค์รู้แล้วก็ยังฉันอาหารนั้นทีนี้ประเด็นอยู่ว่าฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าคือคือหมอชีวกไปได้ยินข่าวนี้มาว่า แล้วก็ถามเป็นว่าถ้าใครพูดอย่างนี้เนี่ย น, นะชนทั้งหลายข้าสัตว์เจาะจงพระสมณะโคโดมพระสมณะโคโดมทรงทราบข้อนั้นอยู่ยังเสวยเนื้อที่เขาทำเฉพาะตนอาศัยตนทำดังนี้ใครที่พูดแบบนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ากล่าวตรงกับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพูดตรงไงไหมเรียกว่าพูดตรงกันเนี่ยราข้อมูลตรงกันไม่เชื่อว่ากล่าวตู่หรือคมขีพระพุทธเจ้าด้วยถ้อยคาอันไม่จริง เชื่อว่ายืนยันธรรมะอันสมควรแก่ทำการกล่าวและการกล่าวตามที่ชอบธทมจะไม่ถึงไม่พึงมีข้อติเตียน ห, หรือหมายค่ะว่าใครที่บอกว่าเออเนี่ยพระองค์รู้นะว่าเขาข่าข่าสา์เนี่ยให้เราเสร็จแล้วรู้ก็ฉันถ้าใครพูดอย่างนี้เชื่อว่าพูดถูกต้องไหมพูดตามไหมพระผู้เจ้าอนุมาตไหมถ้ากับคําที่พูดทั้งหลายเหล่านี้พระองค์ตรัสว่าดูก่อนชีวก ชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมฆ่าสัตว์เจาะจงพระสมณะโคดมพระสมณะโคดมทรงทราบข้อนั้นอยู่ก็ยังสวยเนื้อสัตว์ที่เขาทําเฉพาะตนอาศัยตนทำดังนี้ใครที่พูดอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตูเราคนที่พูดอย่างนี้ชื่อว่าไม่พูดตรงกับพระพุทธเจ้าเลย นนะไม่พูดตรงกับพระพุทธเจ้าเลยและกล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วยถ้อยคําที่ไม่เป็นจริงเนี่ยนะเรียกว่าโมเมนะโมเมเรียกว่าหลอกลวงนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตราัสพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงเนี่ยนะดูก่อนชีวกเรากล่าวเนื้อว่าเป็นของไม่ควรบริโภคด้วยเหตุสามประการ พระพิสุเนี่ยนะไม่ควรฉันเนื้อด้วยเหตุ3าประการคือหน่งเนื้อที่ตนเองเนี่ยเห็นสองเนื้อที่ตนเนี่ยได้ยินสามเนื้อที่ตนรังเกียดดูก่อนฉีวกเรากล่าวเนื้อว่าเป็นของไม่ควรบริโภคด้วยเหตุ3าประการนี่แหละหนงเนื้อที่ตนเห็นสองตนได้ยินสามตนรังเกียดเนี่ยนะ ดูก่อนชีวกเรากล่าวเนื้อว่าเป็นของควรบริโภคด้วยเหตุ3ประการคือเนื้อที่ตนไม่ได้เห็นเนื้อที่ตนไม่ได้ยินเนื้อที่ตนไม่รังเกียจดูก่อนชีวกเรากล่าวเนื้อว่าเป็นของควรบริโภคด้วยเหตุ3ประการมาดูคําอธิบายตามลําดับที่บอกว่าเนื้อเนี่ยนะไม่ควรบริโภคด้วยเหตุ3ประการ3ประการก็คือ1ด <ốc os> ้วยการเห็นสองด้วยการได้ยิน หมายความว่าเช่นว่าเห็นเขาฆ่าต่อหน้าต่อตาแล้วยกไปปรุงอาหารแล้วยกมาให้เราถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่สมควรฉันอ่างนั้นเถอะไม่สมควรฉันนี่สองต่อไปเนี่ยได้ยินเสียงสมมติได้ยินเสียงไก่ร้องแป๊บแล้วก็เห็นแกงไก่มาใกล้ๆตัวแล้วยงนั้นนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่สมควรฉันฉันแปลว่าไม่สมควรแปลว่าฉันและเป็นอาบัติเนี่ยนะคือหมายความว่าเห็นเลยเห็นเขาฆ่าต่อหน้าต่อตาเสร็จแล้วก็ยกมาเสิร์ฟเลย อันหนึ่งอย่างที่สองได้ยินเสียงเขาฆ่าเลยแหละได้ยินทุบหัวโป๊กๆอย่างเงี้ยแล้วก็ยกมาเลยเนี่ยนะอย่างเงี้ก็ไม่สมควรเรียกว่าเห็นเนื้อเนื้อที่ตัวเองเห็นเขาฆ่าเนี่ยไม่สมควรฉันอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองได้ยินเขาบอกว่าเขาฆ่าเพื่อเราเป็นต้นเนี่ยนะได้ยินเขาพูดกันว่าเขาจะฆ่าให้เราเป็นต้นถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเนื้อที่ไม่สมควรบริโภค ทีนี้มาดูคําว่าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการสงสัยเนี่ยเรียกว่ารังเกียจเนี่ยนะเนื้อที่ตนรังเกียจก็มาคือสงสัยนั่นเองดังในอัตถกาานหน้า106หน้า106ย่อหน้ากล่าวว่าส่วนที่สงสัยก็มาจากคําว่ารังเกียจนะนะบาลีว่ารังเกียจอัตถกถาว่าสงสัยสงสัยมีอยู่3อย่างด้วยกัน1สงสัยเพราะได้เห็นสองสงสัยเพราะได้ยิน3สงสัยโดยอาศัยทั้งอื่นไปจากเห็นและได้ยิน สงสัยโดยการเห็นยกตัวอย่างว่าพิกษุในศาสนานี้เห็นคนทั้งหลายถือตะข่ายและแหเป็นต้นกําลังออกจากบ้านกําลังเที่ยวไปอยู่ในป่าวันรุ่งขึ้นเมื่อพิสูจน์เหล่านั้นไปบิณฑบาตคนเหล่านั้นก็นําอาหารที่มีเนื้อปลามาถวายเขาถือแหถือตะข่ายเป็นต้นใช่ไหมรุ่งเช้ามาก็มีมีแกงปลาแล้วอย่างเงี้นะมีต้มปลามาแล้วมีน้ําพริกปลามาแล้วอย่างเงี้ย ภิกษุเหล่านั้นก็สงสัยโดยการเห็นนั้นว่าเนื้อปลาเขาทำมาเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายหรือหน อ, อันนี้ชื่อว่าสงสัยโดยการเห็นถามว่าถ้าสงสัยแบบนั้นว่าไอ้เมื่อวานนี้เห็นเขาเขาแบกเครื่องมือในการฆ่าไปเสร็จ แ, แล้วก็ได้เห็นเนื้อเหล่านั้นเนี่ยสมบอกว่าถ้าสงสัยอย่างนี้เนี่ยไม่ควรรับอาหาราะการรับอาหารที่สงสัยโดยการเห็นนั้นไม่สมควร คือสงสัยว่าเอ๊ะเขาไปหาอาหารมาให้เราหรือเปล่าเนี่ยเขาไปเที่ยวข้ามาเพื่อเราหรือเปล่าถ้าสงสัยไม่สมควรคำว่าไม่สมควรโดยมากก็หมายถึงว่าเป็นอาบัตินั่นเองถ้าสงสัยและขืนฉันเนี่ยนะเรียกว่าสงสัยแล้วก็ยังฉันไปสงสัยไปฉันไปสงสัยไปเนี่ยเป็นอาบัติแต่ถ้าหากว่าไม่สงสัยเลยคือคือไม่ได้โยงอ่ะนะเรื่องของเข้าไปไม่ได้โยงอะไรเลยไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้วก็ถ้าอย่างนี้ก็สมควรเหมงอนกัน ถ้าคนเหล่านั้นถาม่าท่านเจ้าขาเพราะเหตุไรพระกุณเจ้าจึงไม่รับหมายความว่าเราสงสัยเราก็ไม่ยอมรับอาหารก็ถามว่าเออเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเห็นเขาเอาเหหเอาอวนเป็นต้นไปเนี่ยเขาไปหาปลามาเพื่อทําให้พระใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าพวกเราไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์แก่พิสุทั้งหลายดอกแต่คือไม่ได้ทำแปลว่าฆ่าเนี่ยไม่ได้ฆ่าให้พระภิสุ แต่ฆ่าเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองฆ่าเพื่อเลี้ยงครอบครัวฆ่าเพื่อประโยชน์แก่พวกข้าราชการเป็นต้นต่างหากไม่ได้มุ่งเจาะจงหลอกก็แต่ว่าพอมีอาหารแล้วก็แบ่งมาทําบุญเนี่ยนะถ้าอย่างนี้รับก็ควรเพราะเาเจตนารมณ์ของการฆ่าฆ่าทําไมถ้าเขาฆ่าเพื่อเราก็ไม่ออกไม่สมควรเนี่ยนะแต่ถ้าเขาฆ่าเพื่อกิจอย่างอื่นแล้วเขาแบ่งอาหารนั้นมาให้ฉันก็สมควรอันนี้เรียกว่าสงสยยัสงสยโดยการเห็นนะสงสัยโดยการเห็น ในหน้า107่งร้ยเจ็ดเรียกว่าสงสัยโดยการได้ยินคือไม่เห็นอย่างที่พูดมาแล้วแต่ได้ยินว่าคนเขาเล่ากันว่าคนทั้งหลายถือตะข่ายและแหเป็นต้นออกจากบ้านทเที่ยวไ ป, ไปในป่าวันรุ่งขึ้นพิกษุก็เข้าไปบินทบาทคนเหล่านั้นก็นําอาหารบิณทบาทที่มีเนื้อปลามาถว า, ายพิสุหมายคือว่าถ้าเขาลงน้ําถือแหไปก็ได้ได้อะไรได้ปลามาถ้าเขาเข้าป่าไป ถือถือพวกเครื่องมือในการฆ่าก็ได้เนื้อมาเนี่ยนะก็เห็นเรียกว่าพอเห็นปั๊บเนี่ยสงสัยโดยการได้ยินว่าเขาไปทําอย่างนั้นเพื่อให้เราใช่ไหมเขาทําเพื่อพระพิสูจน์ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าสงสัยโดยการได้ยินได้ยินเขาเล่าว่าแหมวันนี้นะพวกชาวบ้านนะเขาแหแหนกันไปเอาปลาบอ่อโน้นบอ่อนี่เสร็จแล้วรุ่งเช้ามาก็เนี่ยนะบินธบาอาหารได้มีแต่อาหารปลาทั้งหมดเลยเนี่ยนะ เขาบอกว่าคำว่าสงสัยถ้าสงสัยอย่างนั้นเขาฆ่าเพื่อเราหรือเปล่าถ้าสงสัยอย่างนั้นบอกไม่สมควรถ้าไม่สงสัยจะรับก็ควรแต่ถ้าสงสัยไม่รับคนก็จะถามว่าทําไมท่านจึงไม่รับก็กพิสูจน์ก็สามารถถามเขาได้ว่าเนี่ยสงสัยว่าอย่างเนี้ว่าพวกท่านฆ่าสัตว์เหล่านี้เพื่อประโยชน์แก่เราหรือก็บอกไม่หรอกฆ่าเพื่อตัวเองเนี่ยนะเพื่อเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอะไรเป็นต้นถ้าพระพิสูจจะรับก็สมควร อันอ so, like like like. ันดับแรกนะสงสัยเพราะเห็นสองสงสัยเพราะได้ยินอย่างที่สมสงสัยเพราะไม่ได้เห็นและไม่ได้ยินคือไปบินทบาทเข้าเนี่ยนะไปบินทบาทเข้าเห็นเขาเอาอาหารตกแต่งมีทั้งเนื้อมีทั้งปลาเข้าไปถวายพิสุพิสุก็สงสัยว่าเอ้เนี่เนื้อเนี่ยเนี่ยปลานี่มันเหมือนกับปลาสดสดเลยนะเนี่ยมันเหมือนกับเพิ่งปรุงสําเร็จเพิ่งตายนะเนี่ยปลาเนี่ยหรือเนื้อเนี่ก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเพิ่งฆ่ามานะเนี่ย เลยสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อประโยชน์แก่พระพิสุหรือหนาะคือ ว, ว่าสงสัยถ้าสงสัยจะรับไม่ควรเพราะฉะนั้นอย่ารับเลยถ้าไม่สงสัยก็รับได้ทีนี้ถ้าสงสัยแล้วไม่รับคนก็สงสัยทําไมท่านไม่รับพิกสุ ก, ก็จะบอกว่าเนี่ยเราสงสัยว่าท่านฆ่าเพื่อพวกเราหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าไม่ได้ฆ่าเพื่อพวกเราหรอกฆ่าเพื่อประโยชน์แก่ตนเพื่อราชการเป็นต้นเนี่ยนะ ถ้าอย่างนั้นจะรับอาหารนั้นก็สมควรเพียงแต่ว่าอาหารเหล่านั้นเขาแบ่งมาทําบุญเพราะเจตนาฆ่าเขาไม่ได้ฆ่ามาเพื่อเจาะจงเราเนี่ยนะทีนี้เขาบอกว่าอาหารถ้าเขาฆ่าเนี่ยเขาฆ่าเพื่อให้คนตายเนี่ยนะถ้าทําบุญเพื่องานเลี้ยงสําหรับเกี่ยวเรื่องกับคนตายหรือฆ่าเพื่อการมงคลกิจกรรมอย่างอื่นที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งฆ่าเพื่อเราเนี่ยอาหารเหล่านั้นฉันได้ แท้จริงยืนยันเนี่ยนะแท้จริงตัวนี้แปลว่ายืนยันว่าเพื่อทําให้หนักแน่นว่าอาหารใดๆเขาไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์แก่พิสูจนทั้งหลายพิกษุทั้งหลายก็ไม่ได้เครือบแคลงสงสัยในอาหารอันใดพิสูรับอาหารนั้นควรทุกอย่างคือเขาไม่มีเจตนาทำทำตัวนี้แปลว่าไม่ได้ปรุแปลว่าปรุงแต่แปลว่าฆ่าเขาไม่ได้ฆ่าเพื่อเราเมื่อไม่ได้ฆ่าเพื่อพระพิสูจน์พิสูจก็ไม่สงสัยเครือบแคลงจะรับอาหารนั้นฉันก็สมควร แต่ถ้าเขาฆ่าเพื่อเจาะจงพระภิกษุเลยเอา้ามีกรณีเนี่ยนะเทระวะอย่างที่ฆ่าเจาะจงพระภิกษุเนี่ยนะทำยังไงภิกษุไม่รู้ว่าเขาเนี่ยฆ่ามาให้เราเนี่ยนะภิกษุเหล่าใดรู้ภิกษุเหล่านั้นไม่สมควรฉันรู้เออนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะฆ่ามาให้เราเนี่ยนะองค์ไหนฉันองค์ที่รู้นะแล้วรู้ด้วยว่าเออเนี่ยเขาจะฆ่ามาเพื่อเราเนี่ย ถ้าฉันน่นไม่สมควรแต่พิสูจที่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมาถึงก็เห็นอาหารก็ประจเวกแล้วก็ฉันใบถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะฉันได้เพราะงองค์ไหนรู้องค์นั้นฉันไม่ได้ไม่สมควรคําว่าฉันไม่ได้แปลว่าเป็นฉันและเป็นอาบัติฉันแล้วมีโทษเนี่ยนะถ้าพิสูจน์เหล่านั้นรู้ว่าเขาทําเพื่อประโยชน์แก่พวกเราเนี่ยนะพิกษุอื่นก็รู้ว่าเขาทําเพื่อประโยชน์แก่พิกษุนั้นเพราะฉะนั้นอาหารนั้นไม่สมควรแก่พิสูุ ทุกรูปคือปริมาณทุกรูปทุกองที่รู้ว่าเขาฆ่าเพื่อเราทุกองไม่ควรฉันทั้งนั้นแหละว่างั้นนะ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าเขาฆ่าเพื่อเราแต่ถ้าทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่าเขาฆ่ามาเพื่อเรานะนะจะรับอาหาร ไ, ไม่รู้ด้วยแล้วก็ไม่สงสัยด้วยอันนี้ฉันได้ในอาสหาธรรมิกทั้ง5สหธรรมิก5คือใครภิกษุภิกษุณีสั ม, มเนสั ม, มเนรี ภิสนะุพิสุณีสัมมาเนนสัมมนเนรีแล้วก็สิกขามนาเนี่ยนะเป็นเป็น5้าเาเรียกว่า5พวกนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าสหธรรมิกทั้ง5้าถ้าหากว่ามีคนเขาเจาะจงเช่นฆ่าเนื้อเพื่อเจาะจงแก่พระภิกษุคนที่เหลือก็ไม่สมควรเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะฆ่าเจาะจงคนใดคนหนึ่งก็ถ้าทุกคนรู้ก็ไม่สมควรเหมือนกันเนี่ยนะนะแต่ถ้าหากว่ารู้นะว่าเขาฆ่าเพื่อเราแล้วก็รับ รับเสร็จก็เอาไปถวายแก่ภิกษุรูปอื่นทีนี้สมมุติว่าเอาเขารู้ว่าเขา้ขาค่าเนื้อค่าสัตว์เนี่ยมาให้เราใช่ไหมรู้ว่าเขาเนี่ยเอาอาหารเป็นๆแล้วมาทำมาค่าปรุงเสร็จแล้วก็เอาให้เราเราก็รู้ว่าเราฉันไม่ได้เราก็เลยรับมาแล้วไปเที่ยวให้คนอื่นฉันอันนะั้นให้เพื่อนฉันแทนก็ได้ เ, เพื่อนนิมนต์ฉันครับผมไปบินฑบาตได้อาหารมาทีนี้ ไอ mic. พี่สู nowhere, ุนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยหน่ยนะว่าเขาฆ่าเพื่อใครเพื่อใครยังไงก็ไม่รู้ถามว่าใครเป็นอาบัตบอกไม่เป็นอาบัตทั้งสองรูปทําไมองค์ที่เขาฆ่าเพื่อเจาะจงแก่รูปใดรูปนั้นก็ไม่ได้ฉันไอรูปที่ฉันก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นไม่เป็นอาบัตทั้งสองรูปอันนี้สําหรับเนื้อเนื้อที่ไม่ผิดวินัยเนี่ยแต่ถ้าเนื้อที่ผิดวินัยเรียกว่าอกกับปิยะมังสะเนื้อที่ผิดวินัยเช่นอะไร เช่นเนื้อเสือเหลืองเนื้อเสือดาวเนื้อหมีเนื้อม้าเนื้อช้างเนื้องูเนื้อสุนัขเป็นต้นเนี่ยพวกเนื้อที่ไม่พระพิสุทธ์ไม่สมควรฉันเนี่ยนะไม่สมควรแปลว่าฉันแล้วเป็นอาบัติถ้าหากว่ารู้รู้ว่าเขาฆ่าเจาะจงหรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยนะถ้าคืนฉันลงไปทุกคํากลืนเนี่ยเป็นอาบัติเนี่ยนะ